เราก็นำน้ต่อรพระไตรเนี่ยวุยพระธรรมพระสงค์เป็นจรณะเป็นที่พึ่งสาหรับพวกเรานะมนุษย์ตัวชีวิตกล้าขอนะโอกาสแล้วก็ถวายความเคารพมายังพระเถรานุเถระเช่นอาจารย์ยุกิแล้วก็อาจารย์อะไรนะนะลงวิท นะอาจารย์นรงค์วิทจากส่วนโมกนะป็นี้จะมาจำบัญช า, าอยู่ด้วยกันแล้วก็ถวายความเคารพยังเพื่อนจากธรร ม, มิกนะที่เคารพตุตกรูปเจริญพรยังคุณแม่ชนะีแล้วก็อุบาสกอุบ า, บ า, บาสิ ก, กานักเดียรธรรมนะที่มาทำวัดเดย็นร่วมกันเย็นนี้ทุกท่านฝนตกก็แยกย จิตใจมาทังเสียงนี้กันแล้วกัน mm. ก็เจตนาพูดก็ใจเกิดประโยชน์กับการฟังประมาณสักยสห้านาทีที่เหลือต่อไปห mm. น้าตาขึ้น mm. ช่วงนี้ mm. ใกล้เข้าบรรษาเต็มที่เ้า mm. ก็มารวมตัวกัน บางคนก็มาคอยจริงๆที่จะเข้าพรรษาร่วมกันบางคนบางท่านก็กล่าว่ามาบวชเพื่อที่จะตามประเพณีหรือว่าลามาสัก15วันหนึ่งเดือนอะไรก็ตามก็คือหมายความว่าเราจะไม่ได้เข้าพรรษามาด้วยกันหรือว่าชาว บ, บ้านทำงานทำการแล้วว่าเจอากาศนี้มาวัดสักระยะหนึ่ง เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประโยชน์เอาประโยชน์จากการมาก็คือการฝึกหัดพัฒนาจิตใจของเราให้มันดำเนินชีวิตไปอย่างผาสุกมีความสุขมีความฉลาดในการที่จะรู้หลกเป็นปีกรู้หลึกลเป็นหนางในอารมณ์ต่างๆภายนอกที่จะต้องเผชิญกันทั้งวันตั้งตื่นจนหลับ รู้ว่าภายในใจของเราที่ยังเหนะมือนกับว่าพอหันกลับมาทีไรนะมันก็ยังไม่หายสงสัยเรื่องชีวิตตรงที่บางทีหน้าที่การงา น, นก็มีความสําเร็จนะมีฐานะมีเงินมีทองใช้นะมีอนะานาจวาสนานะแต่ว่าในจิตในใจมันเหมือ น, นก็ยังนะไม่ได้รับคาําตอบของชีวิตอย่างเงเป็นต้นเรามาเจอกัน เพอที่จะได้ยินได้ฟังนั่นแหละนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่อยู่ที่นี่เช่นนะหลวงพ่อเขียนเป็นต้นทนะ่านยังมีคําพูดใช้คําพูดต่างๆมากมายบางที่ท่านก็แสดงทำโดยการใช้พฤติกรรมต่างๆนั่งเดินยืนนอ น, น, นแหละสอนทำเราเราเห็นอยู่บ่อยๆเมื่อเจ้าก็มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีคนนึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่คุติ ก็ร้านหน้ามีตแตรแผลทัันเลยมาเกินเมื่อตั้งพงเล่ากันครัวที่เกมันก็มีคําพูดที่ขาดโอกันก็เลยลวมกันตีหน้าเนี่ยเละไปเลยก็ไปหาที่กุฏิก็เลยบอกให้ไปทําแผลจะแผลให้เรียบร้อยอันนี้แหละมันเป็นเรื่องของ การที่เราดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องนอกจากที่เราไม่เคยฝึกสติแล้วไม่เคยได้ยินได้ฟังได้หัดได้ฝึกก็ยังไปทางต่ำทางเสื่อมเช่ <c oughs> นการศีลข้อห้าสวลาเมระยะมจัดประมาตฐานาเวลมณีสิกขาประทางสมาธิยามิคราวาดก็ต้องใส่ใจแล้วก็น้อมนำาอธิบัติ มันเปลี่ยนนิสัยได้คนดีๆเป็นเพื่อนกันตอนหัวค่ำแต่พอดึกไปดึกไปดึกไปอย่างเงี้ยพูดจาไม่เข้าหูกันมันก็ใช้กําลังใช้อาวุธออกอาวุธมันก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวกันรัางกายก็ต้องระมัดระวังวาจาก็ต้องระมัดระวังจิตใจอันนี้สําคัญเราก็ต้องมาฝึกสติมันเป็นเกราะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติมันระวังไม่ไหว มันเป็นนามธรรมที่มีความว่องไวมากนะมโนกรรมนะเกิดขึ้นทียิบพฤติกรรมของจิตว่องไวที่จะคิดนะเข้าไปมีวัตถนยึดปรุงแต่งจนก่อปัญหาเกิดปัญหาทำเป็นจิตกุศลทาเป็นจิตอกุศลแต่นนะแล้วมันก็มีพลังซะด้วยนะระเบิดออกมาทางวาจาก็ได้หรือว่าใช้ร่างกายของเราหนะ้าตาทางกิย อาการ ต, าต่างๆแสดงออกนะจนกระทั่งเหมือนกัว่าเบียดเบีย น, นตัวเองเบียเบยนผู้อื่นต่อไปเราก็จึงนั่นแหละบนะารวมตัวกันเพื่อที่นะจะได้เกิดพลังภนะาวสูทิศทางนะที่เป็นทางส่างสวัยของชีวิตกันนะทางไหนที่เป็นทิศทางที่นะทําให้เราดําเนินชีวิตอย่างผาสุกนะเราก็ชวนกันไปโดยเฉพาะคำว่านิพพานเนี่ยมีความหมาย นิพานนี่ใครก็บอกมันไม่มีคู่แต่ส่วนใหญ่นพูดตามๆกันหรือเปล่าไม่ได้ใจแต่ผมเริ่มมามองมันมีคู่ะที่มองมีคู่คือมันคู่กับอนธพานนั่นแหะอนตพานนี่คืออกุศลล้วนๆแต่ว่าจิตที่มันทําโดยที่มันเหนือกุศลอกุศลมันมีอยู่ที่กุศลมันก็มีอยู่นแต่ว่าทิศทางไปสู่นิพานเนี่มันต้องละชั่าทำดีจิตเป็นกุศลฉลาด มันไปทางฉลาดนะฉลาดที่จะใช้ชีวิตท้ายสุดก็คือปล่อยวางเป็ น, นทําดีไม่ต้องติดดีนะเราว่าปล่อยวางเป็นให้ช่วนี่ไม่ทําอยู่แล้วว่าไม่ใช่ความผาสุขแต่บางทีเราก็อดไม่ได้เพราะว่าของเก่ามันมีอยู่เ <t> ชื้อของกิเลสมันมีอยู่ความหลงที่มันมีอยู่เ ม, มื่อไหร่มันก็เผลอเข้าไปป <t> รุงแต่งกิเลสที่มีเชื้ออยู่ให้เป็นตวีคูณเราไม่คิดหัวเดียว มันก็แสดงตัวออกมาพอหลงเข้าไปมันก็ปรุงแต่งจนเกิดอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์มากมายแล้วเกิดเราก็จึงเนีเรามาเห็นกันบ่อยๆจนจําได้ธรรมชาติของความเป็นปกติไปในจิตในใจของเราหรือว่าธรรมชาติฝ่ายอวุศสนที่มันไม่ปกติที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเหมือนกันทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวรู้สึก ตัวรู้จึกตัวเนี่ยมันก็จบลงทันทีจบลงทันทีจบลงทันทีเกิดการปล่อยการวางอารมณ์ทันทีทุกครั้งเลยว่าจิตตดียวคิดเก่งนั้นปล่อยทันทีวางลงทันทีว่างทันทีวางจากความคิดเต็มไปด้วยความว่างแต่ว่ามันว่างจากความคิดมันไม่ได้มีความหมายต่อไปที่ทําให้เราทุกข์หรือสุข ทุขก็ทำอะไรเราไม่ได้ทุ ก, ก็ทาอะไรเราไม่ได้มันก็อยู่อยู่เหนืออยู่เหนืออยู่กับโลกมีสุขอยู่ก่าโลกมีทุกแต่ความอยู่เหนือโลกเกิด ค, ความเป็นปกติทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวไปมีสติเกิดขึ้นท้องไปในกายมีสติเกิดขึ้นท่องไปในจิตใจของเราเรียกว่าสติปัฏฐานมีสติเลิกรู้กาย มีสติรู้รู้จิตใจเพราะงั้นการเคลื่อนไหวต้องฝึกหัดสักหน่อยการเดินจงกรมการ น, นั่งสร้างจังหวะเนี่ยเพราะช่วงใหม่ๆของการเข้าวัดเข้าวานจําเป็นจริงๆมันช่วยให้เราได้เหมือนกับว่าได้หลักที่จะอยู่อย่างมีความเป็นปกติแต่เช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็ น, ย, นยกตัว อ, อย่างว่า เมื่อกี้บทสวดกัลยาณนมิตร น, นี่เป็นทั้งหมดมที่ทําจะให้ทําให้เราเนี่ยเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์เพื่อ<ม>นที่ดีทําให้เราเหมือนกับว่าได้นิมิต<ม>จากเพื่อนที่ดีนี่แหละ<ม>ยกระดับจิตระดับใจของเราเราเคยเหมือนกับว่าว่าเวสบสนแล้วก็มันเหมือนกับว่าเหงา ปล่าเปลี่ยวไม่มีพลังใจไม่มีแรงใจบางทีเราเห็นเพื่อนของเราเนี่ยมันเกิดกําลังใจเกิดแรงใจขึ้นมาเดียวฉพาเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าไปอยู่สังคมภายนอกซึ่งอารมณ์รุนแรงมีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายมีใจมันก็เข้าไปกระทบกับวัตถุกรรมคุณมีการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆมากมายทางทีวีทางสื่อต่างๆอินเทอร์เน็ต เวทผูกต่างๆโฆษณามาก่คราวนี้เราก็หลงไปตอนนี้เราก็ไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นอีกต่อไปอย่างเช่นมาวัดป่าสุโกโตบริมีกายมีใจของเรากัตธรรมชาติมีเสียงฝนตกจริงๆมีภาพต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สลายสิ่งจริงๆมีแสงที่มากระทบทางตาจริงๆเราก็สัมผัสได้เป็นธรรมชาติที่รบริสุทธิ์บริสุทธิ์ ป่าเขาลำนาวไพ่แล้วก็ใส่สิ่งแวดล้อมแบบนี้เป็นกายามิตรเป็นกายานธรรมทําให้เราฝึกหัดปฏิบัติอย่างสนุกสนานและก็มีรสชาติธรรมรดจิตที่มันจิตเจเป็นปกติเห็นกลับมาดูภายในเห็นกายเห็นใจการเคลื่อนการไหวเห็นร่องรอยของอาการต่างๆร่งงองรอยของอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากความคิด เกิดจากความปรุงแต่งเสร็จแล้วเราก็เกิดอุปทานยึดเข้าไปถ้าไม่รู้ถ้ารู้ไม่ทันแต่ว่าสติปัฏฐานที่ฝึกดีขึ้นดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นก็จะรู้จักอารมณ์หยาบหยากความคิดหยาบยาบไปหาอารมณ์ละเอียดละเอียดแล้วความคิดละเอียดละเอียดก็ทําให้เราเหมือนกับว่าอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขนอกจากจะได้กิรยาณมิตรแล้วก็เกิดกิริยธรรมขึ้นมาเราก็สามารถที่จะ พึ่งตัวเองปกป้องตัวเองให้พ้นจากพิษจากภัยต่างๆไม่ควรคิดเราก็ไม่คิดไม่ควรพูดเราก็ไม่พูดไม่ควรทำเราก็ไม่ทำมาเกิดการหักห้ามจิตใจตัวเองเบรกไม่ปล่อยให้ปล่อยตามปล่อยไหลไปสู่การเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นมันก็เป็นการพัฒนาที่ท้ายสุดก็คือกลายเป็นสันติสุขสันติภาพต่อไป เราก็สามารถที่จะไปปอกไปกระจายต่อๆไปกับเพื่อนฝูงในที่ทํางานกับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่ในที่บ้านว่าความไม่ทุกข์มีอยู่จริงเนะ่ยถยกความคิดจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่กับความคิดเกิดผิดปกติขึ้นมาเด้เพราะตัวเจตนาคิดอย่างนี้แต่พอเราไม่ได้เจตนาคิดปอฝึกสติอยู่มันเกิดขึ้นมาเรารู้ทันทันที ก็ช่วยได้บรรเทาแก้ไขจนกระทั่งเหมือนกับว่าได้หลักของชีวิตขึ้นมาถ้าเจตนาคิดทำงานทำการเราก็เจตนาคิดอันนี้ไม่ผิดทำงานทำการเจตนาคิดลงไปบกกรบคุณหารหรือว่าใช้ภาษาพูดออกไปให้เกิดปิยาวาจาวาจามัตุรสหรือว่าคำตีรภาพ กายถึงให้กำลังใจคนแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีพลังไม่ว่าจะเป็นระดับองกลุ่มพฤติกรรมดีในชุมชนต่างๆส ถ, ถานการณ์ต่างๆในหน้าที่การงานต่างๆเพื่อเกิดความดีขึ้นมาทั้งจิตอาสาและจิตไม่ได้อาสาเห็นอะไรไม่ดีเม่ีเราก็ทำเองเพื่อนก็เห็นว่าเราทำดีอยู่ จิตเขาก็รับรู้สัมผัสถึงความดีได้ก็เขามาช่วยเราโดยไม่ต้องร้องขอจะทําอะไรก็จะมีความสําเร็จอยู่เราก็จะเห็นว่าเออทำมากมันก็คุ้มครองทํามากมันก็กลายเป็นเรื่องของทุกๆคนจะต้องมีภายในจิตในใจของตนของตนสังคมมันก็กลายเป็นสังคมที่ไม่วุ่นวายสับส น, นเนื่องากนี่ใกล้กรรมสาแล้วนะ จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียกว่าเรามาระวังกันแหละอยู่ร่วมกันสามเดือนนะก็ต้องเตรียมใจกันไว้ก่อนพยายามเลยอะไรพูดไปแล้วแสดงตัวเองว่าเออค่าแน่ค่าใหญ่ห้าอย่าทำการเป็นใครมาจากไหนก็ไม่ต้องพูดมาที่นี่แล้วถือว่าเราเสมอกันด้วยศีลแล้วก็ทิฏฐิศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันอันนี้ก็อยู่ร่วมกันอย่างผาสุขแน่นอนทีนี้ยกตัวอย่างว่า การที่เราอยากใหญ่คุยแบบอวดโอ้อวดแห น, นเป็นอย่างนี้มีคนสองคนก็<ม>เป็นเพื่อนกัน<ม>เพื่อนรักด้วย<ม>ต่างคนก็ต่างไป<ม>เยี่ยมกัน<ม>การนี้ได้ความนนที่ลืมตัวไปนิดหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งก็พ่อเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงไกยอย่อีกคนหนึ่งบ้านพ่อเขาทำกลองอยู่ เพื่อนคนที่ทำกรองไปเยี่ยมบ้านคนที่เลี้ยงควายเสร็จแล้วก็คุยทันทีบอกว่าที่บ้านเนี่ยทำกรองอยู่ไนะ้มพ่อข้าเนี่ยทำกรองใหญ่ที่สุดในโลกเลยมีอยู่ลูกหนึ่งคนเลี้ยงควายก็เลยบอกว่าที่บ้านข้าก็เหมือนกันเลี้ยงควาย เลี้ยงวัวมีควายกับวัวตัวใหญ่ที่สุดในโลกเลยที่สุดในโลกนะทุกคนต้องการความเป็นหนึ่งสองคนนี้ก็เหมือนกันต้องการความเป็นหนึ่งก็เลยพูดว่าของกูในใหญ่สุยที่สุดในโลกเลยนะกลองใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่แค่ไหนวะก็มีการถามขนาดกันละก็อเองอิดเนะีย<ม>เคยเห็นไหมกลองที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นนะ้ำใหญ่แค่ไหน โอ้กเนี่แหละก็ท่อนทรงนี่แหละประมาณคนโอบเนี่ยแหละหวยของข้าเนี่ยใหญ่พอๆกับบันเองเนี่ยกองพ่อ้าทาอยู่พี่เห็นนะยังเล็กไปก็ขุยอวดแล้วที่เองว่าพ่อแกเนี่ยเลี้ยงควายใหญ่ที่สุดในโลกเนะี่ยมันเป็นยังไงไหมตัวใหญ่ขนาดไหนเองเคเห็นไหมมันใหญ่ใหญ่มากเลยละ่ะ ใหญ่กว่าบ้านหลังนี้อีกตัวเปนใหญ่มากเฮ้ยไม่จริงหรอกไม่เคยเห็นโมหรอกมกั้งนะก็คุยไปทํานองเนี้นะเกย์ทับกันไปเกย์ทับกันมาข้าไม่เชื่อเลยว่าเองนะ่ะมีกองใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ขนาะดที่ว่าสองสามคนโอบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เคยเห็นถ้ามีนะ่ะเองจะเอาหนังวัวหนังควายเนี่ยไปกูกองเองเองมีกองใหญ่ที่สุดในโลก ควายตัวใหญ่ขนาดนั้นมันจะมีหรือก็คือลืมไปพอตัวเองคุยว่าควายวัวใหญ่ขนาดไหนอันนี้คือยกแมกข่ขึ้นมาคนมีกรองหเลยบอกเอาควายของพ่อเองอะไรมาทําหนังกองคุยกันไปคุยกันมา ก, กลายเป็นเรื่องของว่ายกแม่คุยกันสิ่งไม่มีตัวตนามาคุยกันเกทับกันไปเกทับกันมาก็เกิดการทะเลาะเบาแวงเงเป็นต้น สิ่งที่มันไม่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าก็คุยกันอวดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่องพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวมาที่นี่เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาที่สุดเป็นเรื่องที่ตรงประเด็นที่สุดมันเป็นเรื่องที่เราก็เคยมีปัญหามีความทุกข์มาคล้ายๆหรือแทบจะเหมือนกันเช่นเรามีความทุกข์เรื่องนะสังคมเศรษฐกิจการเมืองสังคมครอบครัว ไม่เข้าใจกันเห็นไหมอีกคนเจ้าอย่างนั้นอีกคนเจ้าอย่างนี้นเราก็ไม่เห็นด้วยอย่าง้เป็นต้นบางทีก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจบางทีก็ชักหน้าไปถึงหลังมีเงินล้า น, นก็ใช้แบบคนมีเงิน 2, 3, 10, ล้านคนมีเงิน2อล้าน3ล้านสิล้านก็ใช้แบบคนมีเงิน2องล้านสาล้าน10บล้านมันไม่พอใช้หรอกนคนมีเงิน20ล้านก็มีร่องของการใช้เงินแบบยี่สิบล้าน ขอจะต้องป น, นีดนะราคาแพงเหนือคนอื่นนะหรือว่ามีสักพันล้านหมื่นล้าก็ต้องหาเรื่องทํำจนได้นะเป็นการละลายทรัพยบนะพอมีแล้วก็ต้องแสดงออกเนี่ยมันก็มีความทุกข์ซ่อนอยูนะ่คนจนก็มีความทุกข์แบบคนจนคนรวยก็มนะีความทุกข์แบบคนรวยบางคนก็มีความทุกข์หนะรือว่าเราเองทุกคนนะคงจะมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันมาบ้างนะนะบางทีก็ปวดหลังปวดเอว บาทีก็ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายเป็นมะเร็งเป็นโรคไร้เลือดลังนี่เป็นต้นเราก็ตอกย้าตัวเองย้าคิดย้าทําจนกระทั่งมันเกิดโรควิตกกังบนขึ้นมามีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม่มีพ่อมีแม่ทุกพ่อแม่มีงานทุกพงานมีอะไรก็ตามแต่มีตัวเองก็ทุกตัวเองยบางทีก็สับสนเพราะว่ามีตัวหนึ่งสองสาม มีบุคคลหนึ่งสสาล้อมหน้าล้อมหลังแต่ว่าเราก็มีความสุขมันยังไม่ใช่มันยังไม่อิ่มอกอิ่มใจมันขาดบุญก็คือความสุขที่ได้มาโดยชอบก็นี่ความสุขที่ได้มาโดยชอบที่เรียกว่าบุญก็คือลักษณะของการทำดีทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละโดยที่เราไม่ต้องหวังว่าความดีมันจะตอบแทนเรามันเป็นบนสูงสุดก็คือการให้ที่บริสุทธิ์ทั้งหลาย ให้กับตัวเองก็ตามแปรงฟันจนกระทังเป็นระเบียบวินัยทุกวันหลังรับประทานอาหารเป็นต้นหรือว่าอาบน้ําอาบท่าตอนเช้าตื่นนอนก่อนทํางานหรือ ว, ว่าก่อนนอนเป็นต้นเราจักล้างเท้าล้างหน้าล้างตาแปรงฟันมันก็เกิดบุญขึ้นมาโดยที่ทําไม่ได้หวังอะไรก็เป็นความบริสุทธิ์กับตัวเองเวลาออกกําลังกายก็ออกกำลังกายทุกวันเป็นการเยืดหยุน่นให้เป็นความบริสุทธิ์กับตัวเองไม่ได้หวังว่าจะต้องดีฝ่าคนอื่น หวงว่าจะต้องแข็งแรงกว่าคนอื่นเกิดการประกวดประชันกันอย่างที่สังคมก็ทํางันทั่วๆไปเราก็ทําเป็นความริู้สิ์ใจไม่ได้แข่งกับใครมันคือความดีคือบุญที่ได้มาโดยชอบมากมายเหลือเกินตลาดของบุญที่กว้างขวา ง, งเมื่อเราให้กับตัวเองเป็นก็ต้องให้กับคนอื่นเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับวิปัสสนากรรมฐานพอเรากลับมาเห็นตัวเองมาสงสารตัวเองมันไม่ได้สงสารใครหรอก ชีวิตของเราที่ผ่านมาทั้งหมดเราเดําเนินชีวิตไม่ถูกต้องเราเดําเนินชีวิตเดินทางไม่ถูกทางเราวาดฝันแล้ว เ, เราก็ทําตามต้นแบบของเราแล้วมันก็ไม่ใช่พอเราเริ่มมาปฏิบัติธรรมเราก็เห็นเลยเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดมันน่าเสียดายพยกมลมตะละขณะเดินยงกรมตะละกขณะเท้ากระทบพื้นความเป็นโปรตีปรากฏมันก็เห็นมโนภาพต่างๆเกิดขึ้นมาจากอดีต คนเคยทำกับเราเราก็ทํากับคนอื่นบางทีเราก็ทํากับตัวเองทํางานหามลุ่งหามขําไม่เคยเลยที่จะดูแลร่างกายของเราไม่ให้พักผ่อนนอนหลับหวังว่าพรุ่งนี้จะได้เงินได้ทองใช้เราก็สงสารตัวเองขึ้นมาบางทีก็เฉียดตายหลายครั้งหลายหนกับรถโดยประมาดหรือว่าทําอะไรอีกมากมายขาดสติเราเห็นแลาเราสงสารตัวเองมันก็เลยสงสารคนอื่นเป็นตรงนี้ มันก็เป็นอารมณ์ปฏิบัติในช่วงเข้าภาษานี่ควรจะเมันกว่าเต็มที่กับตัวเองอะนะช่วงเข้าภาษานี่มันมีพุทธบัญญัติเกิดขึ้นมาเนื่องจากในราวฝนตกคนตัวตัวไป ก, ก็ทำงานทำการปลูกพืชเพื่อต้องการผลผลิตปลูกข้าวข้าวสาวรีประเทศอินเดียปลูกมากมายแล้วกันผ ล, ผลผลิตที่ต้องการในฤดูฝนต้องการน้า การนี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะต้อนรับแขกใดๆก็ตามไม่กระทั่งพระซึ่งเขาเคารพที่สุด เ, เวลามาก็ต้องเอาเข้าวเอาน้ำอาหารมาถวายพระทหารแด่พระสงฆ์พระสงฆ์เมื่อก่อนก็ไม่มีเวลาเวลาหรอกนะก็ตั้งแต่เช้ายันเมื่อค่นได้ตลอดนั่นแหละเบญบาตกลางคืนก็มีอย่างนี้ทีนี้ก็เลยนะมีพุทธานุ ญ, ญาต ก็กำหนดบัญญัติเอาไว้ว่าพระสงฆ์นีในฤดูการนี้สเดือนนะไม่ต้องออกบินาบาตรเพราะาประชาชนคนทั่วไปนะก็จะลำบากกับพวกเรานะต้องคอยต้อนรับ ม, มีเวลานะอีกประการหนึ่งก็คือถ้าเราเดินไปนะพระสงฆ์มีกันมากนะเราก็จะไปเหยียบพืชพันธุ์ธัญญาหารนะผลผลิตเขาเสียหายได้นะ เราควรเก็บตัวอยู่กับที่กระทา ง, งนะแต่ว่าถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นมาในวัดนะอันนี้ให้เราสามารถที่จะออกจากวัดไปได้ไม่เกินเจ็ดลาตนะีเรียกว่าสัตหะออกไปเช่นนึงไปสอนธรรมเป็นต้นสองในวัดนี่มีสัตว์ร้ายเกิดขึ้นมามนะีผู้หญิงนะที่คิดไม่ดีต่อศาสนาเกิดขึ้นไหมนะให พระสงฆ์หนีออกไปสามก็คือเกิดอุปัติภัยต่างๆ เ, เกิดภัยวิบัติต่างๆพระสงฆ์สามารถไปช่วยได้ต่อมาก็คือเมื่อพ่อแมนะ่เกิดไม่สบายเจ็บป่วยไข้ต้องไปดูอันนี้ในฐานะาลูกต้องกระตันยูติตอต่อพ่อต่อแม่เราสามารถไปได้เลยไม่เกินเจ็ดลาติรีบไปรีบกลับ มากลับมาต่อนะลักษณะที่เหยียบแผ่นดินนะเข้าอยู่ในบริเวณอาวาดนะแล้วเราก็สามารถไปต่อได้อีกอย่างนี้นเป็นต้นก็จะมีกฎระเบียบวินัยบัญญัติเอาไวนะ้เราก็จึงใสอาศัยนะเวลานี้ช่วงนี้บรรยากาศของกรเรมิตให้เกิดกลเรณธรรมเนะพราะเราก็คนต่างจิตต่างใจกันมารู่หน้าไม่รู้ใจนะไม่รู้ว่านิสัยเป็นอย่างไรภูมิชาติำกำเนาดเนอย่างไร ฐานะฐานะเป็นอย่างไรวุติภาวะกุศลสมบัติต่างๆเราก็จึงเป็นอนาธิวักลมาดูตัวเองการการเคลื่อนการไหวรูปแบบปฏิบัติแล้วก็ใส่ใจเพื่อที่จะถอนละหดได้ได้สติเป็นอย่างไรศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรกุศลนกุศลเป็นอย่างไรมรรคเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรทุกออกจากทุกเป็นอย่างไร เราได้เห็นมันเกิดขึ้นไปในความรู้สึกตัวที่เกิดจากการเคลื่อนการไหวฝึกมาเป็นการเดินจงกรมการยกมือ1ิบส่หางว่าหรือว่าดูลมหายใจือทองพองยุบจะทมเป็นในขาันษาสามเดือนนี้มันก็มีผลที่ทำให้จิตใจของเราพัฒนาจนขั้นถึงว่ารู้รูปทำนมทำเห็นกัน5ตามความเป็นจริงมีความบริสุทธิ์ปุดป่องในสีในธรรม ศีลธรรมก็จะปกป้องรักษาเราต่อไปนะก็จะเป็นโอกาสแหละไม่ว่าจะมาสามวันห้าวันเจ็ดวันกี่วันก็ไม่เป็นเลยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะต่อยอดได้เช่นเมื่อตอนเพลนตอนบ่ายนะมีพระคุณเจ้าบวชกตั้งใจว่าจะบวสัก20วันทีนี้จุบพ่อก็เทียวไปเทียวมา รับโทรศัพท์จากญาติบอกว่าต้องบวชก่อนออกก่อนก่อนเข้าพรรษานะเพราะระหว่างพรรษาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไปศึกระหว่างพรรษาอันนะี้เขาถือกันเพราะฉะนั้นก็จึงให้ศึกซะ ก, ก่อนโยมก็คิดกันไปอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วนียการบวชการศึกเนี่ยมันศึกตอนไหนก็ได้เรามีเจตนาบวชมีเจตนาผึกศึกนะ ไม่ใช่หมายถึงว่าเรามีเจตนาบวชแล้วเราก็สึกก่อนที่เราคิดนะเวลาวันไหนเดือนไหนที่เราจะสึกเราสึกก่อนนะนั่เรียกว่าร้อนผ้าเหลืองนะแต่ว่าก็ญาติโยมก็ใจร้อนนะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไ ร, ไนไรก็คุยกันเองก็แล้วกันเจอกันคกลางทางนะจะอยู่ก็ได้จะสึกก็ได้เพราะว่านะอันนี้นเป็นสมบัติบนะัญญัติลักษณะของการปฏิบัติจริงมันขึ้นอยู่กับความเข้าเข้าใจ แต่เดินจงกลมรู้สึกตัวนั่งสร้างจังหวะรู้สึกตัวนะทําอะไรมันก็รู้สึกตัวนี่ไม่เกี่ยวกับชุดไม่เกี่ยวกับเครื่องแบบนะแต่ถ้าเรามาอยู่ในเครื่องแบบแล้วอยูนะ่วัดอยู่ว่าเรียบร้อยแล้วเราควรนะอาศัยโอกาสเนี่ยนะมาดูแลตัวเองให้เต็มที่นะปฏิบัติธรรมให้เต็มที่อย่างเงี้ยหูฟังให้ดีนะไม่ดื้อไม่ดึงแล้วเราก็น้อมเข้ามาใส่ตนฝนะึกหัดปฏิบัติจนกระทั่งนะมันได้คําตอบ โดยที่ไม่ต้องฟังจากครูบาอาจารย์หรือว่าบุคคลอื่นบางทีก็อาจจะรู้ไม่จริงก็ได้เราอาจจะรู้จริงก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็นั่นหมายถึงว่าก็ให้มันก็ว่ามีวิจายา์ญาณมีลักษณะของศรัทธาแล้วก็มีความขยันใส่ใจในการวิจาธธรณ์ทอาศัยรูปแบบในพระวัตตาโสโตแล้วก็นำเสนอชัดๆตรงๆ ทุตัวโลบายที่เป็นอัตลักษณ์หรือว่าเอากลักษณ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เหมือนกับว่าเรียนรู้วิธีการแบบนี้แล้วก็พ้นทุกข์ได้เราก็น้อมเข้ามาใส่ตนกันภาษานี้ก็อาจจะอบอุ่นนิดนึงก็คือเรางพกอคำเขียนท่านก็าจะอยู่กับเราห้าสิบห้าสิบคราอาจารย์ภาษาวิสาโลกข้ามาจามภาษาที่นี่แน่นอนแล้วก็มีพระครูบาอาจารย์อีกอย่าง อาจารย์นลวิทย์ก็มาอยู่เขาอบอุ่นพี่ใหญ่อาจารย์ยูกิก็กลับมาแล้วจากญี่ปุ่นเนะี่ยประนั้นน้องๆเราก็ดูภาพผู้หลักผู้ใหญ่กันว่าท่านอยู่กันยังไงนะอาศัยลักษณะเครื่องอาศัยที่ทาให้อยู่ได้ไม่ล้อนลนนิ่งๆกับตัวเองกัท่านอยู่ด้วยนะเครื่องอยู่อย่างไรแต่ว่าเราอาศัยกเรียมิตรที่เป็นผู้รูระตีนานแล้วก็อาวุโส ทางโลกมามีการใช้ชีวิตดํารงชีวิตมีภูมิจิตภูมิธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมก็หมายถึงว่าเราก็ปลอดภัยเป็นต้นแบบก็ทําให้เราเดินทางได้ตรงและวก็รัดสั้นและก็เร็วอะเราก็จึงเชิญชวนกันอาจารย์ยูกิท่านก็พุทธะดีไปหาท่านได้หลวงพ่อกรมก็ได้แต่วันนี้ท่านไม่ได้มาทําวัดสวดมนต์กันหรือว่า หลวงพเขียนถ้าอยู่ท่านเปิดโอกาสแน่นอน24ชั่วโมงหลวอาจารย์ไพสารการสุกาธรรมนี่ท่านก็แยกย่อยให้เราละเอียดเร้ออทีเดียวนเอาละเห็นว่าตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มก็พูดมาประมาณยี่ห้านาทีแล้วก็ฝนก็ตกหนักแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนท่านก็จงได้เจริญสติแล้วก็มีโอกาสที่จะสัมผัสธรรม ตามสมควรแก่การวิบัติเผยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเธิน